Katshami Thammang Sramang Katshami Sankhang Saranang kachami saran Tutiampi putang Saranang Kchami Surang Saranit Tutiyamvi Tamang Saranam Tiyampi sankhang seranang katchami. Tiyampi sankhang seranang katchami. Tiyampi puthang seranang katchami. Tiyampi puthang thammang seranang katchami. <tinyampi thamang sranang khami> Kattiyampi sannakam sranang kashamit Kattiyampi sannakam sranang kashamit Kattiyampi sannakam sranang kashamit Kattiyampi sannakam sranang kashamit Jarendt tammt tueck kont กลายเป็นอบอุ่นขึ้นมาโอ้โหถึง 16 11 องศาที่นี่เออหาย นะละโพเราเข้ามาแทนที่ยิ่ง ให้ครบทั้งกายและจิตครบทั้งกายและจิตนะครบทั้งรูปและนาม อ่าสสวอ่าวสวอ่าสสวอะไรอ่าถึงก็ต้องมาเป็นววบบบบเอาเป็นบนบจะไปหอก็จะต้องถึงหอนะโอ้โหเจตนาไม่ คำว่ารวมกันนี่ก็หมายความว่ารวมจริงๆไม่ใช่อยู่กับคนละที่คนละทางแต่กัน 74757 20 ปีพอดีเริ่ม 37 อ่า 60 ปีฮะอาตมาที่นี่ อ่า พ.ศ. 2537 เค้า 60 ปีอาตมาแบ่งแบ่งส่วนกันแบ่งพื้น ฝนตกวันที่ฉลองโอ้โหตกมันมันเทอ่ะราดเทขี้โคลนทั้งนั้นเลยต้องลื่นเดินต้องลื่นทั้งนั้นเลย มีการศึกษาบ้านวัดโรงเรียนการศึกษาคือ เรียกว่ากายโอนะเรียกว่ากายการรวมที่ไม่ คือท่านเป็นเน้นกันผู้รู้ท่านเป็นเน้นว่ากาย แม้กระนั้นคําว่าร่างกายของภาษา ก็ต้องมีคําว่ากายอยู่กายต้อง คุณจะสามารถเอาละยอมสามารถจะทําให้อาสวะ ก็ต้องสัมผัสวิโมก 8 วิหารติหมายความว่ากายจะ แล้วก็รู้จิตของตนเองว่าอาสวะทั้งสิ้นหมดแล้วอาสวะไม่ แล้วอาตมาเมื่อเข้าใจมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้แล้วหมดหวังที่จะได้บรรลุนิพพานจะจริงๆที่บาง เป็นการชี้ชัดลงไปเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอันนี้เป็นความเห็นของอาตมาโดยตรงที่ ก็อย่างนี้สงสัย hm 16 ข้อ 230 ที่พุทธเจ้าจัดไว้ สูแดงทํากระพบก็ก็มาบอกอาตมาอาตมาก็อยากของดีราคาถูกซื้อ พอมาเจอว่าพระพุทธเจ้า 16 ข้อ 230 ปุถุชนปุถุชนนะ จะพึงเบื่อหน่ายบ้างเขาก็ กายังคําเดียวนะเค้าก็มาแปลว่าร่างกายคือเน้นให้ชัดเลยว่ามันเป็น มหาปุตรรูปสันสีนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรนะหมายความว่าเค้าจะเบื่อหน่ายร่างกายที่ประชุม เมื่อนายรูปร่างเหนาะอันไม่มียะนามมาทําเข้าไปทั้ง 4 นั้นย่อมปรากฏมันจะเห็นได้ย่อมปรากฏ ในรูปธรรมบางอย่างเร็วมันพังต่อหน้าต่อตาหายไปต่อหน้าดินดินแยกกว่าช้านี่ อย่างเป็นต้นนะมันจะปรากฏให้เห็นว่ามันความไม่ตนความทนอยู่เห็นทั้งรูปธรรมให้ได้เบื่อหน่ายได้ ในร่างกายนั้นร่างกายนั้นในร่างกายนั้นแต่ตถาคตเรียกปุถุชนเอ่อเรียกร่างกายปุถุชนเรียกกายร่างกายในบาลีกายตรงๆกายะกายังนะปุถุชนผู้ มหภูตะทั้ง 4 นี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเห็นมั้ยพระพุทธเจ้าตีเปี้ยงเข้าไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่ากายนี่แหละคุณจะเรียก เรียกว่าจิตเรียกว่ามโนเรียกว่าวิญญาณเลยปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทีนี้ปุถุชนเมื่อไม่ได้สดับคําสอน เขาจะหลุดพ้นทางกายทางร่างกายได้แต่เขาจะไม่หลุดพ้นทางจิต ธาตุมโนธาตุวิญญาณเนี่ยเป็นเราเป็นของเราในปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนที่ไม่วางมโนวางวิญญาณได้แล้วเดี๋ยวจะแจกเนี่ยมางานนี้แหละวบ ครั้ง 3 บ่ๆๆๆครั้งที่ 3 อย่าไปพูดโหละเยอะเล่นนะจริงนะอาจจะพูดลุได้ เต็มเลยเต็มขันปึ๊บเต็มก็จบก็บรรลุได้ซึ่งเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องของความจริงเป็นอจินไตย ตลอดการช้านานฉะนั้นตลอดการมาจึงไม่อาจจะเบือนนายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลย โดยความเป็นคนที่จะไปยึดท่านก็อธิบายสลับและกลับ พระคมเดลดินน้ําไฟลมที่เป็นส่วนนอกนี้ได้ ผู้ชนก็ยังเบื่อนะเบื่อเบื่อ 40 50 ปีเบื่อเบื่อคู่ตุนาง แต่ก็อย่าไปหาอีหนูใหม่มาหา แต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตด้วยความเป็น นะเห็นความไม่เที่ยบเห็นความเสื่อมเห็นอะไรเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เลื่องเลย มโนปุพพังกะมาธมามโนมยาจิตมโนปัญญาเนี่ยเป็นตัวหลักถ้ายัง จำติดทันว่าแล้วปุถุชนเบลอก็แน่นมันมันแน่นมันเหนียวมันบางมันลึกมันแต่ก็เป็นได้แต่จิตเป็นไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาตามหลักพระ คนนั้นเพราะเหตุใดเพราะร่างกายอันที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้ง 4 นี้เมื่อดํารงอยู่ปี เสื่อมโลกโลกนี้เนี่ยก็แต่นะพองั้นจะอยู่กันกี่ มีตะวันเวียนเลือดวนเวียนแล้วด้วยนะเอ้ากายเนี่ยท่านก็บอก <c oughs> อัตมาจะต้องอ่านมันให้เจอเหตุปัจจัยตัวเนี้ยมันทําไมมันต้องเป็นอาการ โมเมรักษากันไปเอาระบนะพอแต่ว่าตถาคตเรียกร่างบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างขึ้นดวงนึงดับไปในกลางคืน จิตนั้นมันเกิดดับต่อเนื่องกันอยู่เป็นสันตติคนอ่านไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้น อาศัยกับตัวตนก็กายนี่แหละองค์ประชุมนี่แหละตัดละเอียดอย่างแหม อธิบายยัง 28 รูป 24 อุปปาทายะรูป 24 เนี่ยมันๆให้รู้รูปซะก่อนแล้วก็ที่ 52 ค่อยว่ากันอีกทีเพราะงั้นตอนนี้เน้น 1 รูปนี่ก่อนให้รู้ชัดๆว่า ในกลางคืนก็ดีในกลางวันก็ดีทุกทั้งเวลาทุกเวลาทั้งคืนก็เกิดก็ดับพองั้นก็เกิดก็เกิดก็ดับในกลางคืนจิต เป็นเหตุผลเฉยๆเค้าไม่ จนตามรู้มีปัญญามีตามความ หยากกลางละเอียดจนกระทั่งถึงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงซ้ําซ้อนอีกมันมีรูปกับนามเท่า ตัวท่านมันเป็นรูปที่คือสิ่งข้อ 232 ว่าดูพระภิกษุ ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมเนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไปจับกิ่งนี้มากิ่งนี้จับกิ่งโน้น กายที่เรียกว่ากายเนี่ยองค์ประชุมเนี่ยองค์ประชุมก็มหาปุตตรูปเนี่ยที่ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวง ก็ได้ยินป่ะมันเร็วกว่าไม่นิ่งมันไปเรื่อยไปเรื่อยเกาะจากตัวนี้เก่งนั้นไปเก่ง หลักของพระเจ้านั่นก็ให้เรียนรู้สิ่งที่มันก่อกิ๋งนี้แล้วก็ไปก่อ 233 ท่านก็ อริยสาวกผู้สดับนี่คือผู้สดับนะใครหลับ ดูก็จะได้สดับพูดเอามาอ่านเอามาอธิบายจากคําตรัสของพุทธเจ้า ถึงธรรมในร่างกายและจิตในกายในจิตนั่นแหละแต่พอว่าแปลเป็นภาษาไทยเค้าก็เติมคําว่าร่างเข้าให้อีกคํานึงด้วยความ เป็นน้ํานะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าท่านบอกท่านเรียกน้ํา 777 แล้วหรือ 7,777 แล้ว หรือ 77,777 แล้วก็ไม่นะอ่าคายด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมในร่างและจิตที่ตถาคตมานั้นว่าเพราะเมื่อสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เกิดเมื่อสิ่ง สิ่งนี้จึงไม่มีอ่าเพราะสิ่งนี้คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี อ่านอย่างเร็วด่วนเหมือนรถไฟที่คุณตู่พลเอกตู่กําลังจะทะกิจอ่าน ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการหลายอย่างนี้เพราะ ในหนังสือนี่ท่านก็ยังเปรียญใหญ่ท่านก็ไม่เขียน ย่อมนายแม้ในสัญญาย่อมนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อม กิตติควรธรรมทำมิได้มีดังแลจบสูตรอัตสุตตวตาสูตรอสุอัตสุตตวตาสูตรมีสูตรที่ 1 เพราะงั้นการเรียนรู้ของพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทดังว่านี้ที่เป็นลักษณะของอิทัปปัจจยตาหรือบางทีท่านก็เรียกว่าปัจจยการมีปัจจยการมัน เป็น 18 ใน 8 อวิชชา 8 มี 1 ไม่ 2 ไม่ 3 ไม่รู้นิโรธคือไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอาการจริงของมันสภาวะจริงเป็นยังไงไม่รู้ทุกข์อาการจริงเป็นยังไงก็ว่า เมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ 4 รู้จักวิธีที่ 4 รู้วิธีที่ 4 ของอภิชาทุกขิโรทกามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ เพราะเกิดนิโรธก็ต้องเห็นนิโรธอย่างแจ้งๆสัจฉิต้องทํา เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ไม่เข้าใจไม่รู้ไปศึกษาหาสิ่งที่ 3 จตวาทใน 3 เหมือนกันนั่นแหละนะ 1 อ่า 1 ไม่รู้ 2 รู้กําหนดถูกกําหนดว่า 3 อภัสราข้อ 4 ไม่ 3 ข้อที่ 4 4 สุภกินนะหะอ่า 4 ก็เป็นสัตตวาทก็ที่ 4 หรือในวิญญาณทิฏฐิก็ที่ 4 นะเพราะ มีแสงสว่างน่ะคงท่านเป็นอย่างนั้นเลยน่ะอาตมาก็เคยอธิบายมากมาย พึงขึ้นมาอีกบ้างมีแล้วน่ะสัญญากําหนดรู้ได้ครบจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดเดพิสูจน์ 108 ทําแล้วทําอีกสั่งสมทุก อภิปรายข้อที่ 5 ที่ 6 ทั้งส่วนอดีตและข้อ 5 ส่วนข้อที่ 6 ส่วนอดีตกับส่วนที่ข้อ 6 ไม่เที่ยงแต่เรียนรู้ทั้งอดีตเรียนรู้ทั้งกําหนดอนาคตไว้ ทั้งส่วนในอดีตและก็ส่วนอนาคตมันเที่ยงศูนย์ศูนย์ในปัจจุบันศูนย์ในสังสมเป็นอดีต ทั้งมหาภูตะ 4 ปสาทรูป 5 โขจรรูป 5 ต้องครบภิสูตครบจึงจะเรียกว่าความจริงมีรูป 5 โขจรรูป 5 2 แล้ว 2 นั้นอันนึง ต้องเรียนรู้ที่มันยังเป็นอิทธิภาวะมีอินทรีย์ของความเป็นอิทธิหรือ อิทีลิงเรียกว่าเพศหญิงปุลิงเรียกว่า <c oughs> <c oughs> ชนน้อยๆนะเจอปุจฉาสัตว์ที่ยังมีวิบากอ่าก็เออเอาเห็นแต่อย่างนี้แหละน่ะเอาล่ะอาตมายัง นะถึงคั่นแม่พูดไปถึงอิทธิลิงบุญลิงณปุญสกะลิงไปแล้วนะอิทธิลิงอุตอิทธิลิงเค้าเรียก ถ้ามาเป็นสัญญาแล้วเนี่ยแยกเป็นอิตถีลิงวิญญาณนี่เป็นอิตถีลิงเป็นพลังงานระดับ เอกบุรุษยังไม่เป็นเอกคตาต้อง เป็นตัวเกิดทําให้เกิดยังมีความเกิดเป็นตัวแหล่งแห่งความเกิดผู้หญิงเนี่ยอิตถีเป็น ไปเอาตัวจริงๆแล้วสัจจะไม่เสมอภาคแม้ ค่อยๆลงลึกในเรื่องอัปปรมัตต์ในอะไรปฐมนิเทศนี่ก็นํา ความกว้างที่อาตมาจะพยายาม นอกและในทั้งหมดรวมประชุมกันและทําปฏิกิริยา กำลังช่วยกันโอ้โหรวมสมองรวมความรู้รวมผู้ๆเพื่อที่จะให้มีแบบมีรูปแบบมีกรอบมี เขาจะจะนําพาไปสู่ที่ที่อะไรคืออะไรเอ่ยอ้อ แต่มาอย่างงี้น่ะมีคนเป็นดูอะไรนิดอะไร <c oughs> เขากําลังจะพยายามจัดสรร ไม่ได้คำนึงถึงจิตวิญญาณคำนึงถึงไม่ เอาแต่เรื่องของผู้รู้ทางกรอบทางความรู้ทางปริศดีทางบัญญัติ มันเป็นตามสัจจะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไทยมีพลเมืองเป็นพุทธ สิ่งที่นามธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้กําหนึกถึงนามธรรมแล้วไม่มีผู้รู้ในทางนามธรรมผู้รู้ทาง เป็น 7 มีมหาประเทศ 4 มี 7 มี 4 ซึ่งเป็นเรื่องนึกซึ่ง 7 นั้นน่ะไล่ตัว 1 ธรรมะธรรมะคือองค์สิ่งที่ทรงอยู่ยังมีอยู่อ่ะในเมืองไทยมีอะไรเท่าไหร่ ของต่างประเทศเอาแต่ตำราต่างประเทศเอาไทยนี่ไม่ต้องเอาตำราเลยตำราก็ เนื้อแท้จุดไม้ปลายทางเนื้อแท้ถึงจุดสุดท้ายก็เอามารวมพูดที่มีความรู้ จึงรู้ทั้งธรรมะและอัตถะและก็รู้ตัวเองอัตตัญญุตาคือตัวเรา เอาถามเล่นๆตอบจริงๆก็แล้วกันไทยเนี่ยเหมือนอเมริกามั้ยไม่ไทยอ่าไทยเหมือนอเมริกาไทยเหมือนอังกฤษมั้ยไม่ไทยเหมือนอินเดียมั้ยไม่ไทยใครสักคนไทยคล้ายอเมริกา<ท> จีนไทยคล้ายอะไรกว่ากันไทยคล้ายไทยคล้ายอะไรคล้ายอินเดียกับอังกฤษไทยคล้ายอะไรกว่ากันอินเดียเออเก่งมากให้คะแนนเต็มท็อปตอบได้ <India. S 1> ยังมีเลือดของอินเดียวิญญาณของอินเดียมากที่สุดอ่าทั้งๆที่จริงๆแล้วอยู่ อละมีนายะอะลัยเอียดไปกว่า นะเป็นเติดเป็นมหาอำนาจอะไรก็แล้วแต่อเมริกาขณะนี้น่ะกําลัง ที่จริงมันในเรื่องทั้งนั้นน่ะถ้าจะว่าไปแล้วสรุปก็เอาอย่างไทยอตัญญุตาตัวเราก็เท่าๆ อโศกเราเนี่ยเรียนตามทฤษฎีพุทธเจ้าแล้วจนว่าอโศกเป็นเผด็จการคนเค้ามองอย่างนั้นจริงๆเค้า พระเด็ดการคืออะไรพระเด็ดการคือนับถือคนใดคนหนึ่งสูงสุดพระเด็ดการที่เค้ายอมจะยอมโดยชนนหรือยอมได้ยก ท่านเป็นรัฐอิสระไปไหนในธรรมนูญของท่านจุลสินมัจฉิมสีมหาศีลใครมาเข้ารีด ถ้าเป็นจอมเผด็จการเป็นจอมคอมมูนเป็นจอมสังคมนิยมเป็นจอมประชาธิปไตยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็น เพราะฉะนั้นก็ดีในความเป็นคอมมูนก็ดีในความเป็นประชาธิปไตยก็ดีมันมีตัวแกน ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่หมู่แคบๆเห็นแก่ส่วนรวมส่วนใหญ่ อย่าว่าแต่ประเทศไทยแต่เอาเรายังไม่ไปถึงนั้นเราต้องแล้วว่า ตามหลักพระเจ้านี่ว่ามีองค์ประกอบในการช่วยเหลือแก่คุณเพิ่งเกิด สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จริงจริงๆมันหมดตัวตนมันไม่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้น จะเป็นเผด็จการทํางานใดก็เพื่อผู้อื่นจะเป็นการมันไม่ได้อยู่ที่สังคม นั่นตัณหาที่เป็นตัวแท้นะเพราะฉะนั้นทฤษฎี ทฤษฎีหรือทิฐิหรือลัทธิของพระพุทธเจ้าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธสนใจอย่างนี้แล้วก็รู้จักอตัญญุตตารู้จักมัตตัญญุตตา ดูทั้งนอกและใน ไม่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่ตั้งแยะแต่ยุคนี้มีเราก็ใช้สิ่งที่มีนี่จริงนี่เป็นสิ่ง พอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมให้พอเหมาะสมดุลพอเหมาะพอดีตามที่ในหลวงเรา ซึ่งมีคําว่าพอเหมาะนี้เยอะตั้งแต่กรรมนิยะกรรมัญญาปโหติพอเหมาะพอควรทั้งนั้น ให้ดูได้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะสมกับยุคนี้กาลัญญุตตาเพราะฉะนั้นแต่ละปริสันยุตตาแต่ละสังคม และในหมู่เล็กหรือหมู่ใหญ่ก็ตามเจาะต้องคัดเลือกย้ำต้องคัดเลือกถ้าได้ผู้ที่ซื่อสัตย์ไม่มีอคติเป็นผู้ที่ เรียกว่าผู้มีปัญญาเลือกอย่างนี้ไม่ใช่เอาประชาเงินน่ะเกือกข้างเดียว คนไทยๆเอาเถอะเดี๋ยวนี้ 1 ค่าเงินตกๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขของคน ลัทธิซื้อแลกในประเทศไทยนี้เก่ง ลมกระดานการเลือกตั้งด้วย 10 ปีเป็น 10 ปีไม่ช้า 10 ปีบูรณะไม่ขึ้นนะถ้า นะสรุปแล้วความเห็นของอาตมานะอาตมาไม่ได้ไปบังคับใครแล้วก็ไม่ได้ไปสอนสอนใครอาตมาแสดงความ เป็นการแสดงความจริงใจน่ะดีใครไม่ฟังก็ <c oughs> สิ่งที่จะพอเหมาะพอบุคคลของประเทศไทยทุกวันนี้บุคคลแต่ละ ซื้อด้วยเกลือกข้างนึงซื้อด้วยแต่คนชั้นล่างคนชั้นว่าสูงระดับสถาบันยุติธรรม แต่ก็ยังมีคนดีนะในศาลยังอยู่ได้เนี่ยอาตมา มันซื้อหมดไปแล้วผีน่ะมันโม้แพ้แล้วผีมัน เทวดาก็ยอมไปมอบแป้งให้ผี อาตมามั่นใจว่าคนฉลาดในประเทศไทย อย่านึกว่าไม่ได้อยู่ในพระเนตรพระกรรณอย่านึก แต่ท่านไม่ได้เคย เหมาะสมกับสภาพของไทยซึ่งอาตมาก็เห็นของอาตมานะว่าหยุดเสียก่อนหยุดเรื่องก่อน จะค่อยๆทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ ครูเหล่านั้นเต็มไปด้วยกองกิเลสกิเลสน้อยน่ะยากไม่มีกิเลสน้อยหายากก็ต้องหาผู้ที่มีกิเลสมีกิเลสนั้นรวมกันเข้าแล้วอย่าทํากลุ่มใหญ่จะได้ไม่ช้าถ้ากลุ่มใหญ่แล้วก็ช้าแล้วก็ไม่ได้ผลสะอาดได้ผลเลอะตอนนี้ยุคนี้ต้องคงอย่าง เลือกบุคคลที่หัวกะทิเข้าไปไม่ต้องมาก ให้น้อยคนพอสมควรเอาผู้จริงใจผู้ฉลาด เขาก็จะต้องดึงหาประโยชน์ไปให้ตัวเองแน่นอนเป็นเผด็จการหมู่นะเผด็จการหมู่ซึ่ง alla, Karl Hitler, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, är inte, Hitler. inte, är inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, Hitler. inte, ใครก็ดูออกต่าง ได้ร่วมกันทํางานอาตมาว่าจะได้เร็วและได้ดีด้วย ไม่เพื่อประโยชน์ตนไม่ 7 มอง 4 สิ่งที่อาตมาพูดนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติสิ่งที่ห้ามสิ่งที่อนุญาต ในคําพ่าไม่มี ทางโทรทัศน์ทางวิทยุก็ตามใช้โอ้โหขยันไม่ดีอย่างมีลูก มีตลกพวกคาริตๆนะสมก็ยุกอ่ะยุกมันเสียดมันเคร่งเองก็จํายอมได้เล่นหัวๆก็อยู่เยอะเลยคือไม่ แล้วมันก็แข็งมันก็ชามันก็เชื่อมกันมันก็ติดแล้วมันจะดําเนินไปร่วมกัน มาอัตตนิยามคือรูปจิตนิยามคือนามแล้วก็รู้ถึงกรรมคือการกระทําพฤติกรรมบท แล้วๆไว้ธรรมทุกเก 4 เกิด 5 เกิด 5 เกิด 2 แล้ว 2 นั้นมี อิทัตตาก็รู้เรียนรู้อินทรีย์ของอิทธิของเชิงที่เป็นเพศเพศที่ยังไม่เรียบร้อยเค้าเรียกอย่างนั้น มีอินทรีย์มีกําลังอย่างนั้นแต่เป็นกําลังที่ลึกซึ้งเป็นโพเทนเชียลเอนเนอร์จี้ไม่ใช่ไม่มีกําลัง สรุปแล้วจะมีความบกพร่องในเรื่องอิทธิภาวะ คุณจะ 4 มีน้ําสีน้ําเงินเลี้ยงอยู่ก็ตาม 32 นี่แหละอยู่ในนี้แหละมีตั้งแต่ อยู่ในกระดูกไปจงน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำอะไรๆ6 ทั้งอาการ 32 นี่แหละมีบินญาณทํางานอยู่ใน แล้วอ่านชีวิตของมันชีวิตตรูปมันมีชีวิตของความเป็นสัตว์สัตว์หยาบ 9 ของสมาธิทิ ถ้าไม่รู้ความเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์นรกคืออะไรสัตว์เทวดาสมุติเทวดาอุปบัติเทวดาหรือว่าวิสุทธิเทวดาเป็นยังไงอาการ จึงจะเจริญขึ้นได้เรื่อยๆหมดชีวิตของสัตว์จึงเรียกว่าหมดชีวิตอินทรีย์ของสัตว์แต่ก็เหลือชีวิตอินทรีย์ของวิสุทธิเทพของพรหมของพระเจ้าวิญญาณพลังงานของสัตว์โลกที่ประเสริฐที่สุดมีตรีมูลติ คนรู้ชีวิตจะรูปแล้วก็ต้องรู้อาหารรูปรู้เครื่อง ความใคร่อยากก็มีธรรมะธรรมกามธรรมกามก็ใคร่อยาก เพราะยังเจตนาในกามเจตนาในภพท่านก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นภพแรกก็เรียนรู้ตั้ง ก็อยู่ในกามนี่แหละอยู่ในภพนอกนี่ล่ะมีกามาวจรนี่แหละต้องเรียนรู้ เป็นรูปเป็นนามรูปเป็นนามท่านก็แจกไว้ให้เรียนอยู่แล้วนภิพังคสูตรเป็นนามก็แจกไป จนกระทั่งแจกได้แบ่งมาทํารูปตีกรอบมาทําเรื่อยๆเรียกว่าปริเขตรูปตีกรอบมาทําเรื่อยๆยังทําไม่ได้มากก็ตีกรอบเล็กๆชาวได้เพิ่มขึ้นก็ ความว่างอากาศธาตุในทุกๆ ปริ체 รูปได้เมื่อกําหนด เรียนรู้ใช้ความอนุรุ้มปฏิโลมทํางานอยู่โดยทฤษฎีของพุทธเจ้านั้นไม่หนีทํางาน 1 สัจจิทา 2 ประโยชน์ตนได้แล้วนะทําคุณอันคนสมควรก่อนแล้วสอน พูดเก่งเป็นธรรมก็ไปสมเร็จจริงพูดไม่เก่งแต่แสดงความบริสุทธิ์ใจของตัว ภิสุทโธอีกทีนึงเพราะฉะนั้นท่านเป็นสมณะสมณะภิสุทโธภิสุทโธสมณะเนี่ยทําไม เรียกเต็มต้องชื่อรัชยาต้องเรียกอย่างมีอีกไอ้ของท่านชาติชาติชาตินี้ชาติบุญนิยมใช่มั้ยของท่านนามสกุลชาติบุญนิยมหรืออะไรเนี่ยถ้าก็ สมณะภิสุทธิ์นายสมณะภิสุทธิ์พอมาเนี่ยก็ใส่ถ้าชายาอีกก็ใส่นามชายาภิสุทธิ์โทอีกเนี่ยองค์ หลวงปู่พิสุทโธแล้วก็มีของจริงพวกนี้ช่วยกันไปถ้าจะเอาที่ทํางานท่านโอ้ทําโอ้อะไร แต่ท่านก็จริงใจท่านก็บริสุทธิ์ของท่านท่านก็พิสุทธิ์ของอ่ะอ้าวเดี๋ยวจะออกแล้วเดี๋ยว อ่าเดี๋ยวก็จะหมดเวลานะอ้าวก็สรุปนะถ้า 24 เนี่ยมันมีนัยยะลึกประโยชน์ตั้งถึงที่แล 5 แล้วก็ 4 เพราะสัจจากความจริงทุกอย่างมันก็อุปปัชยสันตติชรตาและอนิจจตาอยู่ ยังเหมาะพอหรือยัง พระจนผู้จักสันวิคคาระได้ก็ต้องรู้ว่าขนาดนี้เราจะเอาเบาเท่าไหร่เลยว่าละหุตาก็ใช้มุทุมุทุปุตตธาตุของตัวเองจิตที่แวววายจิตที่ปรับได้อนุโลมปฏิโลม จึงเกิดกายกรรมวจีกรรมหรือเกิดกายวิญญาณวจีวิญญาณอยู่ในโลกเป็นสมมุติเป็นสมมุติสัจจะอยู่ในโลกเป็นสมมุติ โดยตัวๆอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงใจตามภูมิปัญญา อะไรออกเหมาะสมแก่การที่สุดเลยเรียกเหมาะได้เสมอตามที่ผู้ที่ บัญญัติและประกาศไว้ก่อนจะปรินิพพานทุกพระองค์อย่างเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกพระเราก็เป็นลูกพระ ปัญจิตรอินยานจึงมาศึกษากันผู้เพราะจับดับปากพระ ใครเห็นว่าพอจะเอาด้วยเอา ครั้งที่ 3 นี้ต่อไปเพราะงั้นในบัดนี้ samma samputetsa, naqmo tatsar, pakawato, enrahato, samma samputetsa, naqmo tatsar, pakawato, enrahato, samma samputetsa, batni. ณข้าพระเจ้าทั้งหลายตั้งจิตอันต่อพระธรรมแผงนับแต่นาทีนี้ไป i ขอประติญาณว่าขออธิญาณ จะพยายามประพฤติศีลปฏิบัติศีลประพฤติธรรม ขอเว้นขาดอาหารที่เป็นเนื้อ เต็มใจและปฏิญญาณต่อพระพุทธพระ ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เจริญ Sama-samp utanför. Och hem și köpul men i perspektivet. vole i val. G öpul. i om. tagров man i som de อ่าอ่าเรา 4 วันบําเพ็ญ 4 วันนี้นะ 5 ปัญญาปัญญา 5 นั้น ปฏิบัติเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นในปฏิปัฏฐานธรรม บําเพ็ญการใน 4 วันแรกก็จะมี ปรากฏการณ์วิทยาไม่น่าจะเรียกปรากฏการณ์วิทยาน่าจะเรียกปรากฏการณ์วิทยางั้นเขียนมาอาตมาเออก็เจตนายังไม่ได้เปิดโจนานุกรมดู ก็ตามกัน 2 อย่างบําเป็นคุณและบําเป็นธรรมบําเป็นธรรมนั้นเราก็จะมาเน้นเรื่องของ 4 วัน ก็ 4 วันบําเพ็ญคุณเนี่ยมีการนั่นให้คะแนน 4 วันเนี่ยเป็นวัน 4 วันนี่ 4 วันนี้มัน ส่วน 3 วันธรรมะเน้นไปในทางธรรมะหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าการงานไม่มีบริบทก็ บริเฉทอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นกรอบตามลําดับตามลําดับตามลําดับมานะๆอาตมาก็ เป็นสุขกตปะประมาณสุขขันธ์ไม่ได้สุขแบบโลกีย์นะสุขสงบอุปสมอสุขหรือวุปสมอสุขคือไม่ได้ๆก็เออดีสนุกสนานไปกับเค้าไปอะไรๆก็อนุโลมเป เออจริงจังไปแต่ใจจริงๆรึกๆมันก็ไม่ได้เป็นจริงหรอกแต่ มันเข้ากันไม่ขาดขาดรีเลทีฟขาดคอนเนคชั่นขาดหมดขาดคอนทินิวอัมเออขาดขาดคอนทินิวขาด ถึงการสัมพันธ์กันๆตั้งแต่คนเน็กมา relation นี่ละทีไปเป็นปัจจุบันเลยเลยอ่าเป็นตัวที่ space the space and time of continuum สันตติของระหว่างเทหะวัตถุทั้งแท่งทึบทั้ง space and time of continuum ของ ซึ่งมีลึกกว่าเพราะฉะนั้นอาตมา e, mc 2 a a นี่คือ a นี่คือ abstract คือสิ่งที่เป็น ใช้ energy ต่างๆแรงงานต่างพลังต่างๆเป็นพลังปัญญาประจักษ์ถึงพลังของรูปธรรมทุกอย่างเลยเท่าที่เราสามารถก็จะสามารถมีอํานาจมี พระท่านสูตรของอตาัยกับพระพุทธเจ้าหรือสูตรที่อาตมานี่แหละเป็น a ไปเติมกับ p e mc2 a อาตมา 2 เนี่ย มันก็คือพลังงานหรือว่าศีหรืออินทรีย์นี่ของรูปและนาม E MC ก็คือรูปกับนามประเด็นรูปก็แมสทั้ง C ก็นามทั้ง พระนามทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักจะยกกําลังเท่าไหร่ก็ ส่วนมีประสวนผสม m เท่ากับรูป 4 เท่ากับนามเพราะนามธัมม์ เอาที่เขาจะใช้ขนาดไหนไปที่ทางนูสอาศัยทั้ง ค่าจะต้องมาซื้อใช้เพราะจําเป็นมันมีประโยชน์ไม่เอาไปใช้ทางโทษเอามา กำลังจะจัด 7 แล้ว 4 อย่างแท้จริง ออกความเห็นไปตามประสาอาตมาว่าอย่าไปเอา 680 คนเอา 680 คนเลขคู่นี่หมายความว่าจับมือกัน ไปเจอกันมาด้วยกันนะเอาล่ะสําหรับวันนี้อาตมาปฐมนิเทศยาวหน่อยแต่ลึกหน่อยนะ 680 ผู้ไม่ โอไม่สมัครไม่ได้สอบไม่ได้อะไรก็